เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้นแน่วแน่เวลานี้เป็นเวลาที่เรากำลังฝึ ก, กจิตใจให้เข้าถึงความสงบไม่ใช่เวลาที่เราทำการทำงาน ภายนอกไม่ใช่เวลาหยุดทำธุระทุกอย่างภายนอกให้นึกว่าบัดนี้เราจะพักผ่อนทางจิตใจเราจะทำใจให้สงบจากไม่คิดไปในเรื่องที่เป็นอดีตล่วงมาแล้ว จะไปคิดส่งไปในอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงเราจะรวมกำลังจิตไทยตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้จะไม่จ่ายความคิดความนึกออกไปในขณะนี้นะนี่เรียกว่าเป็นวิธีพักจิตจิตนี่มันถ้าใช้มันคิดมากมันก็เหนื่อยเหมือนกับร่างกายนี่แหละ ร่างกายใช้มันทำงานเกินขอบเขตมันก็เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใจคนเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีเวลาสงบเสียเลยมีแต่คิดอ่านการงานหรือคิดเล่นเล่ น, ลนลอยๆอยไปไม่มีทางสงบระ ง, งับลงใดนี่มันก็เหนื่อยแหละเอาไปเอามาใจนี่ก็อ่อนแอลง ใจแบบนี้หละมันตกเป็นาธาตุของกิเลสตัณหานะให้พากันเข้าใจตกเป็นาธาตุของบาปกรมความชั่วต่างๆดังนั้นเแนบบี่ยในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทฝึกกิจนี้เองนะ พิธีฝึกก็คงรู้กันอยู่แล้วนะเน้นากันมาอยู่อย่างนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเสียก่อนอเพราะว่าเรานับถือพุทธศาสนาเอาเป็นที่พึ่งทางใจ ก็พระคุณทั้งสามนี่แหละรวมลงแล้วเรียกว่าพระพุทธศาสนานะไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นหรอก mm hmm. ดังนั้นการที่เราได้ลึกถึงคุณพระพุทธระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งก็เท่ากับว่าเรานึกถึงพุทธศาสนานั่นเองเนะี mm ่ย hmm. <c oughs> เมื่อเราเข้าใจหรือเรารับรู้พระคุณทั้งสามนี้ว่าเป็นที่พึ่งแล้วมันก็จิตใจมันก็จะมีได้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นเพราะเรามีที่พึ่งอยู่ภายในใจแล้วนี่ต้องให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ไอ้ใจที่มันชอบคิดเล่ร่อนไปต่างๆนานานั้นเพราะว่า มันไม่มีที่พึ่งอยู่ภายในปัจจุบันนี้ตนเองไม่ทำที่พึ่งให้แกตนเองหมายความว่าอย่างนั้นเหตุนั้นจิตนี่มันจึงคิดสายไปหาที่พึ่งบ่า น, นี่นะหาที่อาศัยสุดแล้วแต่มันชอบใจจึงใด มันก็คิดบรุงแต่งไปสิ่งนั้นเงินไม่มีใช้มันก็คิดถางเงินอย่างนี้แหละบ้านถาวรไม่มีจะอยู่มันก็คิดสร้างบ้านมาหนิทำอย่างไรเนอะถึงจะได้สร้างบ้านถาวร อ, อยู่อย่างคนอื่นเขาที่เขามีแล้วไม่มีเกียรติมียศ เหมือนอย่างคนอื่นเขาอ่ามันก็คิดอยากมีเกียรติมียศชื่อเสียงอะไรไปทำนองนั้นแหล ะ, ะมเยคาว่าเมื่อมันหิวอันใดมันก็คิดอยากได้อันนั้นเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นความคิดดังกล่าวมานี่จึงไม่มีที่สิ้นสุดลงได้เพราะว่าคิดแล้วมันไม่ได้มาตามประสงค์เนี่ย มันจะไปมีสิ้นสุดลงได้ที่ไหนล่ะผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษแห่งความคิดอย่างว่านี้แล้วมันถึงยุดติดลงได้ไม่ต้องคิดอะไรให้มากสาหรับเวลานั่งสมาธิภาวนานี่เราต้องหยุดคิดเรื่องหมู่นั้นถ้าจะคิดก็ในเมื่อออกจากสมาธิภาวนานแล้วไปจึงคิดอ่านการงานต่างๆที่ ที่เป็นหน้าที่ที่เราจะพึ่งกระทมคิดเอาแต่เฉพาะหน้าที่การงานเท่านั้นเรื่องใดซึ่งไม่เกี่ยวกับการกระทำการทำงานแล้วไม่ต้องไปคิดให้มันเปลืองสมองต้องฝึกตนอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักใช้ความคิดให้มันพอประมาณอย่างนี้แล้วมันก็ไม่อ่อนใจไม่เหนื่อยใจเท่าไหร่ ใจมันก็เป็นปกติอยู่ได้แต่ที่ใจมันอ่อนแอลงไปนี่ก็เพราะว่ามันใช้คิดไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์นั้นมากต่อมาก <c oughs> คิดไปตั้งร้อยอย่างพันอย่างจะหาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไม่ได้ความคิดเหล่านั้น <c oughs> อย่างนี้แหละมันทําให้ใจอ่อนแอลงจะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาทั้งหลายเนะี่ะนั่นแหละเราจึงมาต้องมาฝึกจิตนี้ให้มันสงบได้เป็นครั้งเป็นคราวไปก่อน <c oughs> เมื่อทําจิตนี้ให้มันสงบลงไปได้อย่างนี้มันเห็นความสุขความสบายอันเกิดจากความสงบนี้แล้วมันก็จะไม่ชอบคิดฟุ้งไปมากมาย เรื่องมันน่ะดังนั้นแหละเ <c oughs> <c oughs> มื่อว่าคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตลงสู่ความสงบสิวันี้เมื่ออธิษฐานใจถึงคุณพระัตนไกลเป็นที่พึ่งแล้วน้อมจิตรงน้มสติเข้าไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เพราะว่าความคิดน่ะมัน สรงออกมามันพุ่งออกมาจากลมหายใจเข้าออกนี้เองแหละดังนั้นเมื่อเราน้อมสติเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปไอ้จิตที่มันจะคิดพุ่งไปเหมือนเดิม ม, มันไม่แล้วไม่แล้วมันมีสติคอยควบคุมอ่ะอออยู่แล้วอย่างนี้นะนี่แหละวิธีที่จะควบคุมจิตไม่ให้มันคิดซ่านไป ในเรื่องที่มาเป็นสาระประโยชน์ต่างๆหมนั้นนะ<ม>ก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปน้อมสติย่างเข้าไปหาความรู้นู่นหายใจเข้ามันก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอกลนเราหายใจออกไปมันก็รู้นี่ก็ต้องสันนิฐานดูอย่างนี้แหละ <c oughs> ต้องสันนิฐานดู มันถึงได้ความแล้วว่าจิตมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็รู้ได้แหละรู้ได้กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่น ะ, ะเมื่อรู้ว่าความรู้นั้นมันอยู่ตรงไหนแล้วก็สติก็ยังเข้าไปหาความรู้อันนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงความรู้นนั้นแล้วความคิดก็หยุดลง ที่มันมันไม่หยุดคิดนั้นเพราะสติมันไม่ยังเข้าไปแนบแน่นอยู่ในจิตนั้นเรื่องมันนะมันมีช่องโอเหตุนั้นมันถึงคิดตัวนี้จิตนั่นนะให้เข้าใจนี่แหละจุดมุ่งหมายของการภาวนานะเพื่อเราฝึกในขั้นต้นนี้นะฝึกสติสัมปชัญญานี้ให้มันยังลงไปให้มันถึงจิตอ่ะ อย่างเช่นปฐมฌานอย่างนี้นะที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นะปฐมฌามีองค์ห้าอย่างนี้นะคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่นั่นน่ะวิตกคือยกจิตขึ้นสุกอารมณ์นั่นน่ะเราจะ เอาอะไรมาเป็นอารมณ์บ้านี้นี่นะเช่นอย่างว่าเราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นอารมณ์อย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าวิตกละพอวิตกแล้ววันนี้ก็วิจารณพอจับลมหายใจเข้าออกเลยก็วิจารณวิจารณ์ดูว่าชีวิตนี่มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละถ้าลมหายใจเข้าออกนี่หยุดลงแปลว่าตาย นี่คำว่าวิจารณน ะ, ะนั่นเนี่ยก <c oughs> ็มองเห็นได้เลยว่าอายุของคนเรามีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ เ, เป็นเครื่องหมายว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าวิจารดูชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวเนี่ยอ่านี้มาคำหนึ่งถึงความดีของตนมีอะไรบ้าง ที่จะเป็นที่พึ่งที่อุ่นใจเมื่อมาพิจารณาดูอย่างว่าผู้ที่ครองเลือนอย่างนี้เออทานตนก็ได้ให้ศีลตนก็ได้รักษามาไม่ได้ทำบาปอย่างนี้นะแล้วก็ได้เขาแสดงความเคารพ ก, ก, กราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งที่ละลึกอยู่ ได้สั่งสมบุญกุศลอยู่อย่างงี้พอมองเห็นว่าตนนั้นมีคุณความดีอยู่ในใจมีบุญมีกุศลได้สั่งสมอบรมให้เกิดมีขึ้นในใจอยู่อย่างนีนะ้มันก็เกิดปีติขึ้นในบุญกุศลน่ในความดีของตอนนะเห็นตนบริสุทธิ์อยู่ไม่มีบาปมีโทษอย่างนี้นะ เห็นผลแห่งทานคุณแห่งทานว่ามีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจริงอย่างนี้มันก็เกิดปีติขึ้น mm hmm. เมื่อมนเกิดปีติขึ้นอย่างนั้นก็กระทำความรู้เท่าปีติอย่าอย่าอย่าไปส่งเสริมปีติเอาจนว่าจิตพุ่งซ่านไปอย่างนั้นหนนี่ mm hmm. ก็มีสติประคองจิตไว้อย่าให้มันเกิด ความยินดีอย่างรุนแรงนะความยินดีในบุญในกุศลก็ดีถ้ามันยินดีเกินขอบเขตมันก็จะจิตฟุ้งซ่านไปอีกแหละจะไม่สงบอีกเหมือนกัน น, ะ น, นั้นเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วก็มีสติสมบัติเนี่ยประคองจิตประคองปีติอันนั้นไว้ไม่ให้มันเกินขอบเขตแล้ววั น, นี้ ไปไปปีติมันก็สงบลงบะนี้เมื่อปีติสงบลงเกิดความสุขความเย็นใจขึ้นมาอล้วบนีอ่ออิมอารมณ์ต่างๆแลยไม่พาถนาจะคิดไปทางไหนแล้วเพราะว่าใจมันสบายแล้วนี่ใจมันเอือิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณแล้วนี่เป็นอย่างั้นเมื่อเพ่งความสุขอ น, นั่นอยู่ ก็เห็นว่าความสุขอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนะี่ยมันเกิดขึ้นมีขึ้นได้อย่างนี้มันก็มีเสื่อมไปได้เหมือนกันเนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสุขมันจะอิบเออบอิ่มใจอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เพ่งความสุขอันนั้นอยู่นั้นไปไปม า, มาความสุกอ น, นั้นมันระ ง, งับลงบ่เนี่ยจิตมันก็เป็นเอกคตาแล้วบ่เนี่ย ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปจากไอความที่ว่ามีความสุขหรือคาที่ว่าปีติอันนั้นก็ลังับไปแบนี้จิตใจก็เป็นหนึ่งอยู่เฉยๆแบบนีบน้เนี่ยท่านเร้ว่าเอกะคาตานั่นผลสุดท้ายการฝึกกิจตามแนวปถมฌานอย่างว่านี้นะ มันก็มาลงเป็นเอกค ต, ตาเนี่ยทำจิตให้เป็นหนึ่งนั่นเน่งนั้นการที่เรา <c oughs> จเจริญอนาปานสติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการบำเพ็ญปฐมฌานนั่นเองเนี่ยแต่เมื่อเรามีอุบายแยบพายเป็นนะอย่างที่ว่ามานี่นะ อให้พึ่งพาการชนิฐานเอาไว้วิตกก็ยกคิดขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานก็คือยกกิตขึ้นกำนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นเองวิจารก็คือวิจารณ์ถึงชีวิตเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจหยุดลงไปเมื่อใดก็ตาย นี่ยท่านเรียกว่าวิจารให้มันถูกทางอ่ะวิจารณ์ในพระกรรมฐานนั่นแหละไม่ใช่วิจารณ์ออกนอกไปนอกเรื่องอันนั้นวิจารณไปข้างนอกไม่ถูกต้องให้วิจารณ์อยู่แต่ในห่วงของกรรมฐานนี่เท่านั้นจิตใจนี่มันจึงจะรวมเป็นเอกคตาลงได้ในตอนสุดท้ายนะ <c oughs> มันไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากยากเข็นอะไรนักหนาแต่ขอให้มีศรัทธาก็แล้วกันนะขอให้มีความเชื่อมั่นในใจเลยว่าการที่เราฝึกฝนจิตโดยถูกทางอย่างนี้นะ่ะมันจะมีผลดีต่อตอนเองกิเลสตัณหา อันอยาบท่าลามกต่างๆนั้นมันจะน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยๆเมื่อเรามาฝึกจิตใจลงไปจนว่าใจเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งลงไปได้อย่างนี้นะมันก็จะอยู่ได้นานเนี่ยการทาจิตให้เป็นเอกคตาลงอย่างนั้นนะเพราะว่ามัน เป็นผู้มีศีลมาก่อนแล้วศีลเป็นเครื่องขจัดบาปอกุศลให้ระ ง, งับไปจา ก, กจิตใจมาแล้วดังนั้นเมื่อใจมันรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเ อ, เนเอกฆตาลมันก็ไม่มีบาปอกุศลอะไรมารบ ก, กวนจิตใจอะ่ะเพราะฉะนั้นจิตนี้มันจึงค่อยสงบอยู่ได้นานแบบนี้นะ <c oughs> เมื่อจิตสงบเป็นเอกคตาอยู่ได้อย่างนั้นหากว่าเมื่อบำเพ็ญฌานขั้นที่สองต่อไปทันว่ามีแต่วิจารอย่างเดียววิตกไม่มีก็หมายความว่ามันทำนานแล้วนี่ อย่าว่าเราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกรรมฐานอย่างนี้นะพอนั่งสมาีิเข้าไปก็เพ่งลมหายใจเลยฮะไม่ได้นึกเลยว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นกรรมฐานโน้อย่างงี้ไม่ได้วิตกล่ะก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเอาเลยเมื่ออธิษฐานจิตอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นนะ วิจาร์ไปมณิทิ์ที่สุดก็ลงสู่เอกคตาของเก่านั่นแหละนั่นผลสุดท้ายในเจตุทชาญทั้งสี่นั้นจตุทชาญที่สี่นั้นมีอุเบกมีเอกคตากับอเบขาเท่านั้นเข้าสมาธิไป แล้วจิตเป็นเอกะกะตาแล้วเพ่งเอกะกะตานนั่นเข้าไปมั่งมากเข้าไปแล้วในที่สุดจิตก็เป็นอุเบกขาลงไปเลยวันนี้จิตเฉยลงไปมันละเอียดมากในขั้นนั้ น, นจนว่าลมหายใจไม่ปรากฏเลยอะแต่เพียงแค่ ได้ระมมาชานนี่ก็ยังดีแล้วนะอ่าก็ยังดีอ่ะนั่นแหละเพราะนั้นพยายามบำเพ็ญไปอย่าไปนึกว่ามันเหลือวิสัยจะพูดถึงเรื่องชานแล้วกลัวกันก็มีบางคนนะโนเรานี่ไม่มีวาสนารลกอืออย่างน้นอย่างนี้ถ้าเราตีความหมายคำว่าชาน ได้แล้วมันมันไม่เห็นเป็นเรื่องลําบากอะไรนะชานังแปลว่าความเพ่งนี่อย่างนี้แหละคําว่าเข้าช้านเข้าช้านที่ท่านกล่าวไว้มันนั้นก็หมายความว่าตั้งสติเพ่งอารมณ์เข้าไปเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เข้าไปเรื่อยเรื่อยสติก็ยังลงไป ดังที่แนะนํามาตอนต้นนั่นแหละยัยงลงไปจนถึงสติมันยังเข้าถึงจิตได้แล้วนะมันก็เป็นอุเบกขามเป็นเอกคตาลงไดนน้เมื่อจิตไปคิดแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นหนึ่งเท่านั้นแหละจิตนี้นะเมื่อมันคิดแล้วมันก็เป็นสองเป็นสามไปมันเป็นอย่างนั้น เห็นนั้นยงว่าพยายามให้จิตมันหยุดคิดนี่นะให้เข้าใจความหมายเอาอย่างรวบรัดอย่างนี้ทำอย่างไรจิตมันจะหยุดคิดแล้วก็เพ่งเข้าไปเรื่อยๆไปอะอาศัยการเพ่งนี่แหละจิตมันจะหยุดคิดลงได้นะให้พึ่งพาการเข้าใจถ้าหากว่าผูใ้ใดท้อถอยไม่ ไม่สามารถจะเพ่งอยู่ได้งสิอย่างนี้ละจิตไม่มีทางสงบเลยเนี่มีแต่มันจะคิดลอยไปนั่นแหละดังนั้นอย่าไปท้อถอยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เข้าไปถ้ามันเผลอก็ตั้งสติไหมมันเผลอก็ตั้งสติใหมอย่างเนี้ยไม่ท้อถอยเอาไปเอามาสติมันกล้าเข้าไปแล้วมัน ความเผลอมันห่างเต็มทีแล้ววันนี่จิตมันก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเจริญกรรมฐานใดๆก็ช่างเนะี่ยในกรรมฐานสี่สิบข้อนั้นมันก็เกี่ยวกับการเพ่งนีทั้งนั้นเลยให้เข้าใจ แม่ว่าพูจะบริกรรมพุทโธอย่างนี้ก็เพ่งแลยเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี่นะเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่จิตก็ น, นึกพุทโธพุทโธไปตามลมหายใจเข้าออกนี้แหละถ้าหาว่าทิ้งลมหายใจเข้าออกนี้เสร็แล้วมันไม่อยู่กับตัวแล้วมันไม่อยู่กับใจกับกายแล้วอันพุทโธน่ะนะมันจะแล่นออกไปอยู่ข้างนอกนูน่น เป็นเช่นนี้แล้วกใจสงบลงไม่ได้เลย <c oughs> ดังนั้นให้พึ่งเข้าใจคําว่าช้านว่าชานเนะี่ยแปลว่าความเพ่งนะถ้าผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วพอนั่งสมาธิเข้าไปมันก็เริ่มเพ่งเลยอนะืเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ จิตก็ตั้งได้พราจิตตั้งในอธิษฐานนะอธิษฐานจิตถึงคุณพระรัตนไกลดังกล่าวมาแล้วนั่ น, นเอาเป็นที่พึ่งอย่างนี้แหละเมือ่อเมื่อใจมันน้อมสู่คุณพระรัตนไกลอย่างนี้เอาเป็นที่พึ่งที่เลือกแล้วมันมันก็จะไม่พุ่งไปทางอื่นมากมายแล้วแับ น, นี้เอมันเห็นที่พึ่งแล้วนี่ มันรู้ว่าตนนั้นไม่ได้มองเห็นสิ่งอื่นได้ว่าจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนกรายนี่ไม่มีมันจะมองเห็นอย่างนี้แล้วฮะ น, นี่พอมันมองเห็นอย่างว่าเียแล้วมันมันก็ไม่ได้คิดสายไปแล้ววนันนี้อันที่จิตมันคิดสายไปมันไปหาที่พึ่งที่อาศัยเข้าใจว่า เมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วตนจะเป็นสุขอย่างนี้นะนั่นแหละจึงว่ามันมันคิดไปหาที่พึ่งที่อาศัยแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นทางผิดทางนั้นนะเพราะว่าได้วัตถุสิ่งนั้นมาอาศัยแล้วมันก็ให้ความสุขไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเพอของสิ่งนั้นสูญหายไปแล้วความสุขนัน้นก็หายไปตามกันนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่า ที่พึ่งใดในโลกนี้นะไม่มีอะไรจะเป็นแก่นสารได้เลยมีแต่ที่พึ่งอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในดวงจิตนี้คุณพระพุทธก็มีอยู่ที่จิตนี้คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็มีอยู่ที่จิตนี้ไม่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของภายนอกเลย นี่เมื่อเรามาเห็นสงเคราะห์หรือว่ารวมคุณแก้วสามประการใ้ลงในจิตนี้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้อย่างนี้นั่นแหละจิตมันก็สงบอิ่มอยู่ในพระคุณทั้งสามนี่มันจะพุ่งไปไหนบ่เนี่นั่นเนี่ยเพราะเราเห็นว่าสิ่งอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะวิเศษ จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนไกรนี้ไม่มีอย่างนี้เมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็มันก็ไม่สงสัยไปทางอื่นไหมเพราบอกงั้นมันก็ไม่อยากได้ทะเยอทยานไปในสิ่งอื่นนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะหรือแม่มันมันพิจารณาเห็นคุณแห่งทานคุณแห่งศิล คุณแห่งความดีที่ตนกระทาบําเพ็ญอยู่นี่นะอันนี้จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนอันนึงอย่างนี้อ่าแล้วคุณเหล่านั้นอยู่ที่ไหนล่ะก็ระอยู่ที่ใจนั่นแหละเพราะว่าใจเป็นผู้คิดสร้างขึ้นนี่เมื่อจิตเป็นผู้คิดสร้างขึ้นมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละจะไปะอยู่ที่ไหนอ่ะ อะไรอะไรก็สงเคราะห์ลงที่จิตนั่นเลยความดีทั้งหลายเมื่อสงเคราะห์ลงนั่นเน่จิตมันมีกุศลคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่อย่างนั้นแะมันก็ไม่ดิ้นรนไปทางไหนอ่ะ <c oughs> ให้พึ่งเข้าใจกันอันนี้แหละควรพากันสำเนียกให้ดี แต่ว่าบุญคุณเหล่านี้นะมันไม่มีรูปร่างอะไรนะนี่หละสำหรับคนผู้ที่ขาดปัญญาขาดสติแล้วมันเชื่อยากเพราะว่ามันไม่มีรูปร่างสีสันวันนะอะไรเลยบุญก็ดีคุณพระรัตนไกลก็ดีนี่มันเป็นแต่เพียงธรรมารมที่เกิดขึ้นในดวงกิจนี้เท่านั้น ดังนั้นผู้ฉลาดเพิ่นจึงแนะนำว่าเมื่อเราเระลึกถึงบุญระลึกถึงคุณดังกล่าวมานี้แล้วใจมันสบายใจมันเอิบอิ่มไม่กวนกวายไปทางอื่นอย่างนี้นะก็ น, นั่นแหละได้ชื่อว่าบุญคุณมันเกิดขึ้นในดวงกิจนั้นแล้วนี่เราต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจอย่างว่านี้แล้ว มันก็ไม่ต้องสงสัยนะบุญไปยังไงหนอะคุณเป็นยังไรหนอะไม่สงสัยแล้วว่านี้นะกันยังว่าอยู่แล้วว่าบุญคุณไม่มีรูปร่างมันเป็นความรู้สึกของจิตนี่ต่างหากนะอเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกของจิตนี้ดังนั้น ให้พากันเพ่งอยู่เมื่อรู้ว่าจิตของเรามันอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนั้นล่ะก็เพ่งความรู้สึกอ น, นั้นอยู่ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้มันก็จะตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นออไม่ไม่มีถอนออกไปง่ายๆ ดังกล่าวมานะ